บทภาชณีมาติกา173าทำเองยืนอยู่ใกล้สั่งทูดสั่งทูดต่อทูดไม่สามารถทูดไปแล้วกลับมาที่ไม่รับสําคัญว่าที่รับที่รับสําคัญว่าที่ไม่รับที่ไม่รับสําคัญว่าที่ไม่รับที่รับสาคัญว่าที่รับพันวนาด้วยกายพันวนาด้วยวาจาพภรณนาด้วยกายและวาจาภาวนาด้วยทูต พนาด้วยหนังสือหลุมพรางที่พิงการลอบวางเพสัตการนำรูปเข้าไปใกล้การนำเสียงเข้าไปใกล้การนำกลิ่นเข้าไปใกล้การนำรถเข้าไปใกล้การนำโหดทพะเข้าไปใกล้การนำธรรมารมเข้าไปใกล้การบอกการแนะนำการนัดหมายการทำนิมิตทำเอง174รเคำว่า ทำเองคือลงมือฆ่าเองด้วยกายด้วยเครื่องประหารที่เนื่องด้วยกายหรือด้วยเครื่องประหารที่ต้องสัดไปยืนอยู่ใกล้คำว่ายืนอยู่ใกล้คือยืนสั่งอยู่ที่ใกล้ๆว่าจงแทงอย่างนี้จงประหารอย่างนี้จงฆ่าอย่างนี้สั่งทูดภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกก ภิกษุรับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นภิกษุนั้นจึงฆ่าผู้นั้นตายต้องอบัติปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัติทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้นั้นแต่ฆ่าผู้อื่นตายภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัติปาราชิกภิกษุ สั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นแต่ฆ่าผู้นั้นตายต้องอบัดปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงฆ่าผู้ชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้อื่นและฆ่าผู้อื่น ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัติภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัติปาราชิกสั่งทูตต่อภิกษุวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุวงเล็บชื่อว่าพุทธรักิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บธรรมรักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บสังขรักิตะนี้ว่าภิกษุชื่อนี้จงฆ่าบุคคลนี้ ดังนี้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ค่ารับคำสั่งภิกษุผู้สั่งครั้งแรกต้องอบัตทุลใจภิกษุผู้ค่าค่าบุคคล น, นั้นสํำเร็จต้องอบัตปาราชิกทุกรูปภิกษุวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุวงเล็บชื่อพุทธรกิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อ วงเล็บธรรมรักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อวงเล็บสังครักิตะนี้ว่าจงฆ่าบุคคล น, นี้ดังนี้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุรูปอื่นต้องอบัตทุกกฎผู้ฆ่ารับคำสั่งต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ฆ่าฆ <ๆ S 2> ่าบุคคลนั้นสำเร็จภิกษุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอบัตภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ฆ่าต้องอบัตปาราชิก พูดไม่สามารถภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากระผมไม่สามารถฆ่าผู้นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงฆ่าผู้นั้นในเวลาที่ท่านสามารถจะฆ่าได้ต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งฆ่าบุคคล น, นั้นสำเร็จต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปทูตไปแล้วกลับมา ภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคําสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคําสั่งฆ่าบุคคล น, นั้นสําเร็จต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอบัตทุกกดเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคําสั่งได้ยินว่า อย่าฆ่าแต่ภิกษุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่งผมแล้วค่าบุคคล น, นั้นภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติภิกษุผู้ค่าต้องอาบัติปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงฆ่าบุคคลชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าฆ่าภิกษุผู้รับคาสั่งนั้นรับว่าดีละจึงงดเว้นไม่ต้องอบัติทั้งสองรูป ที่ไม่รับสำคัญว่าที่รับ175ที่ไม่รับพิสษุสํสำคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัตทุกกฎที่รับสำคัญว่าที่ไม่รับที่รับพิสูจน์สำคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอาบัดทุกกฎที่ไม่รับสาคัญว่า ที่ไม่รับที่ไม่รับภิกษุสําคัญว่าที่ไม่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตทุกกฎที่รับสําคัญว่าที่รับที่รับภิกษุสําคัญว่าที่รับกล่าวขึ้นว่าทําอย่างไรบุคคลชื่อนี้จะถูกฆ่าต้องอบัตทุกกฎพันนาด้วยกายที่ชื่อว่าพันนาด้วยกายได้แก่ภิกษุแสดงอาการต่างๆด้วยกายเป็นเหตุให้รู้ว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรยบได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาตามการพันนานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพันนาด้วยวาจาที่ชื่อว่าพันนาด้วยวาจาได้แก่ภิกษุกล่าวด้วยวาจาว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรย์ได้ยศ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 ผู้นั้นจะได้ทราบได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกดมีผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะตายหรือทําให้เกิดทุกขเวทนาตามการพันนานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพันนาด้วยทูตที่ชื่อว่าพันนาด้วยทูตได้แก่ภิกษุสัง่งทูตว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทราบได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ ต้องอบัตทุกกมีผู้ใดผู้หนึ่งฟังศารของทูตแล้วคิดจะตายทําให้เกิดทุกขเวทนาตามการพนานั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกพนนาด้วยหนังสือ176ที่ชื่อว่าพ น, นาด้วยหนังสือได้แก่ภิกษุเขียนหนังสือว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกฎ ทุกตัวอักษรผู้ใดผู้หนึ่งเห็นหนังสือคิดจะตายแล้วทําให้เกิดทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกลุมพรางที่ชื่อว่าลุมพรางได้แก่ภิกษุขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่าบุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอบัตทุกกดเมื่อบุคคลชื่อนั้นตกลงไปได้รับทุกขเวทนา ต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุขุดหลุมพรางไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่าใครก็ได้จะตกลงไปตายต้องอบัตทุกกฎมนุษย์ตกลงไปในหลุมนั้นภิกษุผู้ขุดต้องอบัตทุกกดเมื่อมนุษย์ตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกยักษ์เปรตหรือสัตว์ดิรัชานมีกายเป็นมนุษย์ ตกลงไปในหลุมนั้นต้องอบัตทุกข์กดเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขวเวทนาต้องอบัตทุกข์กดยักษ์เป็นต้นนั้นตายต้องอบัตทุลใจสัตดิรชานตกลงไปในหลุมนั้นต้องอบัตทุกข์กดเมื่อตกลงไปแล้วได้รับทุกขวเวทนาต้องอบัตทุกข์กดสัตดิรชานตายต้องอบัดปาจิตตีที่พิงหน7่ ที่ชื่อว่าที่พิงได้แก่ภิกษุวางสัตราไว้ในที่พิงหรือทายาพิษทำให้ชำรุดหรือวางไว้ที่ริมบ่อเหวหรือที่ลาดชันด้วยหมายใจว่าจะมีผู้ตกลงไปตายด้วยวิธีนี้ต้องอบัตทุกกฎมีผู้ได้รับทุกขเวทนาเพราะต้องสัตราถูกยาพิษหรือตกลงไปต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิก การลอบวางที่ชื่อว่าการลอบวางได้แก่ภิกษุวางดาบหอกฉมวกหลาวไม้ค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกไว้ใกล้ๆด้วยตั้งใจว่าจะมีผู้ตายด้วยของสิ่งนี้ต้องอบัตทุกกฎมีผู้คิดว่าเราจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดด้วยสิ่งของนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิก เภสัตที่ชื่อว่าเพสัตได้แก่พิกษุให้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มเภสัตนี้แล้วจะตายต้องอบัตทุกกฎเมื่อเขาลิ้มเพสัตนั้นแล้วได้รับทุกขเวทนาต้องอบัตทุระใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำรูปเข้าไปใกล้178 ที่ชื่อว่านํารูปเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนํารูปที่ไม่น่าพอใจน่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาเห็นรูปนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วตกใจต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุนํารูปที่น่าพอใจน่ารักน่าจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่า เขาเห็นรูปนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บรูปนั้นต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บรูปนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำเสียงเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำเสียงเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุนำเสียงที่ไม่น่าพอใจ น่ากลัวน่าหวาดเสียวเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกกดเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วตกใจต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกภิกษุนําเสียงที่น่าพอใจไพเราะจับใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเสียงนี้แล้วจะสู้พร้อมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บเสียงนั้นต้องอบัตทุกกด เขาเห็นรูปนั้นแล้วสูบผอมเพราะไม่ได้วงเล็บเสียงนั้นต้องอบัตทุรใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำกลิ่นเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่านำกลิ่นเข้าไปใกล้ได้แก่เพิกสูนำกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าคลื่นไส้เข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูตรกลิ่นนี้แล้วจะตายไปเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอบัตทุกกฏ เขาสูดกลิ่นแล้วเกิดทุกขเวทนาเพราะรังเกียจเพราะคลื่นไส้ต้องอบดับทุลใจเขาตายต้องอบดัดปาราชิกภิกษสูนํากลิ่นที่น่าพอใจเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะสู้ผอมตายไปเพราะไม่ได้วงเล็บกลิ่นนั้นต้องอบดับทุกกฎเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บกลิ่นนั้นต้องอบับทุลใจเขาตายต้องอบดับปาราชิก การนำรถเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำรถเข้าไปใกล้ได้แก่ภิษสูนนำรถที่ไม่น่าชอบใจน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาลิ้มรถนี้แล้วจะตายเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอบัตทุกกฎเมื่อเขาได้ลิ้มรถนั้นแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดเพราะรังเกียจเพราะสะอิดสะเอียนต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัต ปาราชิกภิกสุนำรถที่น่าชอบใจเข้าไปใกล้ด้ยตั้งใจว่าเขาลิ้มรถนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้วงเล็บรถนั้นต้องอบัตทุกกดเขาเห็นรูปนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บรถนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกการนำพลทัพภาคเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำผลทภาคเข้าไปใกล้ได้แก่ ภิกษุนมโพธภพะที่ไม่น่าพอใจมีสัมผัสไม่สบายและแข็งกระด้างเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูกต้องสิ่งนี้แล้วจะตายต้องอบัตทุกกรเมื่อเขาถูกต้องสิ่งนั้นแล้วเกิดทุกขเวทนาต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกภิกษุนมโพธภพะที่น่าพอใจมีสัมผัสสบายอ่อนนุ่มเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าเขาถูก ต้องสิ่งนี้แล้วจะสู้ผอมตายเพราะไม่ได้วงเล็บโพธพภะนั้นต้องอบัตทุกกดเขาถูกสิ่งนั้นแล้วสู้ผอมเพราะไม่ได้วงเล็บโพธพภะนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนำธรร ม, มารมเข้าไปใกล้ที่ชื่อว่าการนำธรร ม, มารมเข้าไปใกล้ได้แก่ภิกษุแสดงเรื่องนรกแก่คนผู้ควรจะเกิดในนรกด้วยตั้งใจว่า เขาฟังเรื่องนรกนี้แล้วจะตกใจตายต้องอบัตทุกกดเขาฟังเรื่องนั้นแล้วตกใจต้องอบัดทุลจเขาตายต้องอบัดปาราชิกพิกสุทแสดงเรื่องสวรรค์แก่บุคคลผู้กระทำความดีด้วยตั้งใจว่าเขาฟังเรื่องนี้แล้วจะสมัครใจตายต้องอบัตทุกกดเขาฟังเรื่องนั้นแล้วคิดว่าเราจะยอมตายละแล้วทาทุกขเวทนาให้เกิดขึ้น ต้องอบัดทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิกการบอก179ที่ชื่อว่าการบอกได้แก่ภิกูุถูกถามแล้วบอกว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้รัพ์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกกดเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการบอกนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัดปาราชิก การแนะนำที่ชื่อว่าการแนะนำได้แก่ภิกษุที่เขาไม่ได้ถามแต่แนะนำให้เขาตายว่าท่านจงตายอย่างนี้ผู้ตายอย่างนี้จะได้ทรัพย์ได้ยศหรือได้ไปสวรรค์ต้องอบัตทุกข์กฏเขาคิดว่าจะตายแล้วยังทุกขเวทนาให้เกิดตามการแนะนำนั้นต้องอบัตทุลใจเขาตายต้องอบัตปาราชิกการนัดหมาย ท, no ulations, ที่ชื่อว่าการนัดหมายได้แก่พ er ิกสูจน์ทาการนัดหมายว่าจงฆ่าเขาตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนอาหารหรือในเวลาหลังอาหารในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอบัตทุกกฎผู้รับคำสั่งฆ่าเขาสาเร็จตามเวลานัดหมายนั้นต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นผู้นัดหมายไม่ต้องอบัต ผู้ฆ่าต้องอบัติปาราชิกการทำนิมิตที่ชื่อว่าการทำนิมิตได้แก่ภิกษุน์ทำนิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิว้วหรือพงกศีรษะท่านจงฆ่าเขาตามที่เราทำนิมิตนั้นต้องอบัติทุกกฎผู้รับสัญญาณฆ่าเขาสำเร็จตามนิมิตนั้นต้องอบัติปาราชิกทั้งสองรูปฆ่าเขาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้นผู้ทำนิมิตไม่ต้องอบัต ผู้ค่าต้องอาบัดปาราชิก